เอาน่ายอย่าซสีเรียกเรื่องติดพิธีกรรมคนบางคนนี่ก็เหลือเกินทำบุญกรวดน้ำรับพรพระเสร็จ ถามหลวงพ่อว่าไม่มีรถน้ำมนต์หรอคะหลวงพ่อบอกว่าไม่มีเอ๊ะวัดนี้ทำไมทำไม่ครบวัดอื่นเขายังทำครบกันเลยเจ้าค่ะประท้วงพระอีกหาว่าพระทำไม่ครบวันหนึ่งหลวงพ่อไปเทศต่างจังหวัดโยมผู้หญิงคนหนึ่งมาถวายสังฆทาน หลวงพ่อก็ให้พรปรากฏว่าแกงงุดหงิดงุ่นง่านไม่เป็นอันรับพรพระด่าหลานลั่นเลยข้าบอกให้เองเอาที่กรวดน้ำมาด้วยทำไมไม่เอามาเอามาแล้วลืมไว้ในรถไอ้หลานไว้ใจอะไรไม่ได้เลยไหวยวานแค่นี้ก็ทำให้ไม่ได้ ดารานลั่นต่อหน้าพระข้าละเสียอารมณ์จริงๆเลยวันนี้ทำบุญไม่มีความสุขแกติดพิธีกรรมเกินไปทำบุญแล้วกลับได้ทุกข์เพราะทำบุญด้วยความโลภทำพิธีกรรมไม่ครบกลัวจะได้บุญน้อยการทำบุญนี่แค่ตั้งใจว่าจะทำคิดว่าจะทำ ก็ได้บุญแล้วอย่าไปติดพิธีกรรมทำบุญเสร็จก็ได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วทำใจให้เป็นสุขแพรส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องผู้ล่วงลับแบ่งบุญให้กับญาติเพื่อนฝูงที่เราพบเห็นทำได้อย่างนี้ผลบุญนี้ก็จะทำให้ใจเราเป็นสุขเท่านั้นพอแล้ว